มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญห า, า, า, ญหาชัตทวัคปฏิปทาโทสาปัญหาที่หนึ่งถามว่าที่ตรัสว่าทุการากิริยาเผดร้อนหาได้ธรรมวิเศษไหมเหตุไรจึงสอนให้ภิกษุ ปฏิบัติทางปฏิปทานั้นอีกเล่าสมเด็จพระเจ้ามิรินปิ่นพิภพสาคละราชธานีจึงมีพระราชองค์การถามต่อไปว่าพันเตนาคะเสนข้าแต่พระนาคะเสนเถระผู้ปรีชายานสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงกระทําทุกขรกิริยาอันเป็นกรรมที่บุคคลจะพึงทําได้ด้วยยากแล้วในที่อื่น พระองค์มิได้ทรงปรารบความเพียรปราปราามกิเลสกำจัดเสนามานเช่นนั้นอีกเพราะพระองค์ทรงกระทำทุกกระกิริยานั้นจะได้ความชื่นบานสักหน่อยหนึ่งก็หาไม่ได้จึงกลับพระไทยเลิกการทรงกระทำทุกกระกิริยานั้นเสียแล้วยังมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าเราผู้ตถาคตมิได้บรรลุคุณวิเศษเป็นอุตริมนุษยธรรมที่รู้แจ้งเห็นจริงของพระอริยะ เพราะทุกระกิริยาอันเพ็ดร้อนนี้เลยต่อเมื่อเราผู้ตถาคตมากลับจิตคิดว่าอัตมากระทำทุกระกิริยาอย่างนี้หาได้ธรรมวิเศษไหมทางที่จะปฏิบัติเพื่อโพธิญาพึงมีโดยทางอื่นดังนี้แล้วพระองค์ก็ละเสียซึ่งความเพียรในอันกระทำทุกขระกิริยากระทำอย่างอื่นต่อไปจึงได้สาเร็จแก่พระสันเพชโพธิญา มาภายหลังกลับทรงพระบัญญัติให้พระภิกษุภิกษุณีปฏิบัติทางปฏิบัติที่พระองค์เหนื่อยหน่ายแล้วด้วยพระคาถาว่านี้อารพทะนิคมทะยุนชะทะพุทธศาสนังทุนาถะมัจจุโนเสนังนาลาคารังวกุญชโรดังนี้กระแสะความในพระคาถานี้ว่าพิกเว ดูราณะภิกษุทั้งหลายท่านทั้งปวงจงปรารบความเพียรจงออกจากหมู่และคณะอย่าอยู่ในหมู่คณะจงเป็นสันเลขสันโดษไปอยู่ในภัยสันประเทศถืออรัญญิกะทุดงอยู่ในรุขขมูลต้นใดต้นหนึ่งยุนชะทะจงมาประกอบอุตสาหาเพียรภาวนาซึ่งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ในพระบวรพุทธศาสนาของตถาคตทุนาถะจงกำรรจัดเสียซึ่งเสนามัจจุโนแห่งพระยามัจจุราชกุญชโรอิวะประดุดพระยากุญชรชาติช้างใหญ่อันเมามันณลาคารังฉีกเสียพังเสียซึ่งเรือนมีฝาอันบุคคลกระทาด้วยไม้อ้ออย่าได้ละซึ่งความเพียรในการนั้นนี่แหละพระผู้เป็นเจ้า สมเด็จพระบรมครูสัพพัญยูผู้ประเสริฐเนยนายซึ่งมหาประธานวิริยะเป็นเพียรอันเคร่งครัดขณะเมื่อกระทําทุกขกากิริยาพระองค์มติเตียนละวางเสร็แล้วก็ฉนายจึงตรัสบัญญัติให้ภิกษุ ป, ปฏิบัติกระทําประธานวิริยะอุตสาหะที่พระองค์เนื่อยนายละวางเส่เล่าพระนาคเษนเถระผู้ปรีชาเฉลมปราดจึงวิสัชนาว่า มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสริฐไม่เป็นอย่างนั้นความนี้แฝงกันอยู่เมื่อสมเด็จพระบรมครูสัพพันญูเจ้าได้ตรัสนี้ก็เป็นทางปฏิบัติอันเดียวกันกันกบที่บอกพระภิกษุนั้นเมื่อพระองค์กระทำมหาประธานวิริยะนั้นและมาทรงพระดำริว่าอาตมาจะกระทำให้ยิ่งเถิด ให้เป็นทุกรกิริยายากที่บุคคลจะกระทำได้ครั้นดำริดังนี้พระองค์ก็บริโภคพระอาหารให้น้อยถอยไปให้เพียง น, นั้นกล้าจึงสิ้นพระแรงถอยกำลังโรยราลงน้าพระทัยของพระองค์ก็ทุพลภาพนักมิอาจจะกำจัดตัวบาปธรรมให้สำเร็จแก่พระสันเพชรดายาณได้แล้วพระองค์ก็ทิ้งทางปฏิบัติที่ตัดอาหารเสีย เสวันโตกลับเสวยอาหารก็ได้สาเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานเพราะตั้งไว้ซึ่งเพียงเป็นมหาประธานทางเดียวนั้นใช่จะสาเร็จด้วยปฏิบัตินอกจากเพียง น, นี้หาไม่ได้อย่าว่าแต่สมเด็จพระสัพพัญยูบรมครูเจ้าของเราท่านนี้เลยถึงสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าพระองค์อื่นแต่บรรดาได้ตรัสรู้ล่วงลับไปแล้วนั้นก็สาเร็จทางเดียวกัน อาศัยตั้งไว้ซึ่งมหาปธานวิริยะทุกพระองค์มาเป็นธรรมดามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระองค์ผู้ประเสริฐอาหารโรอันว่าอาหารนี้อุปถัมภ์โพเป็นเครื่องอุปถรัรมภนาการเลี้ยงสัตว์ไว้ฟงนิกรสรรพสัตว์ทั้งหลายในแผ่นพบนี้จะมีซึ่งความสุขก็เพราะอาศัยอาหารฉันใด เอวเมวะโขสมเด็จพระสัพพันยุบรมครูเจ้าก็ได้ตรัสรู้แก่พระอนุตตรสัมโพธิญาณด้วยมหาปธานวิริยะนั้นมีอุปมาฉันนั้นซึ่งพระบรมครูเจ้าไม่ได้ตรัสรู้นั้นจะเป็นโทษของมหาปธานวิริยะหรือเป็นโทษของการปราบกิเลสอย่างใดก็หาไม่ได้เป็นโทษของการที่ทรงอดพระอาหารโดยแท้ ปฏิปทาคือมหาปรธานวิริยะนั้นเป็นธรรมชาติอันธรรมดาตกแต่งไว้ด้วยดีทุกเมื่อมิได้มีโทษอย่างใดเลยอันหนึ่งเล่าพระองค์เจ้าเมื่อปฏิบัติกระทํามหาปธานวิริยะกระทําซึ่งทุกกระกรริยานั้นน้ําพระไถยนี้ด่วนที่จะได้ตรัสแก่พระสร้อยสันเพชรดาญาณจึงดำริว่า อาตมาจะไม่บริโภคอาหารให้เป็นปกติอยู่จะบริโภคให้น้อยถอยไปทุกวันเห็นว่าจะสําเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานเร็วครั้นพระองค์ดําริชนี้แล้วพระองค์ก็บริโภคเสวยพระอาหารแต่น้อยน้อยลงไปทุกวันจนสิ้นพระกําลังล้มลงแทบที่สุดที่จงกรมก็ไม่ได้สมดังพระไัยปรารถนา ที่ว่าจะได้ตรัสแก่พระบรมโภธที่สมผานจึงกลับดําริว่าอัตมานี้ไม่สำเร็จแก่พระสันเพชรดาญาณก็เพราะอัตมาและอาหารที่เคยบริโภคเป็นปกติเสียบริโภคอาหารน้อยจึงตกถอยจากพระกําลังไม่ได้ตรัสสมดังพระทัยปรารถนาก็ทีนี้แหละอัตมาจะทิ้งเสียซึ่งทางปฏิบัติอันนี้ แล้วกลับบริโภคอาหารให้เป็นปกติไปเหมือนเก่าคงจะสำเร็จแก่พระสัพพัญยุตยานกระมังครั้นดำริดังนี้แล้วก็เหนื่อยหน่ายคลายเสียซึ่งการบริโภคอาหารอันน้อยทรงปฏิบัติด้วยเสวยพระอาหารให้เป็นปกติแล้วทรงตั้งมหาประธานวิริยะไปก็ได้สำเร็จแก่พระสันเพชรดาญานที่ว่าบริโภคอาหารน้อยนักไม่เกิดคุณ ชักให้ช้าพาเป็นโทษบรรดาจะเร็วกลับเนิ่นช้าไปนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลอติเวเคนะวิ่งไปด้วยกําลังสิ้นกําลังล้าไปบ้างเป็นง่อยเปรียบเพลียไปบ้างเดินทางต่อไปไม่ได้อย่างนี้จะโทษเอาปัตถพีแผ่นดินว่าแผ่นดินนั้นให้ล้าให้บาทาของตนที่วิ่งไปเปรียบเพลียไป หรือกอะไรณนะบวพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้าวิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาฆเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีายาญจะโทษเอาแผ่นดินจะพานเอาแผ่นดินอย่างไรได้โทษที่บุรุษนั้นใจเร็วเร่งไปดวนวิ่งไปจึงสิ้นกำลังล้าลงเป็นง่อยเปเรียบเพลียไป พระนาคเกษนจึงถวายพระพรว่าความข้อนี้ฉันใดก็ดีมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารพระบรมครูอดอาหารเสวยพระอาหารน้อยจึงถอยกําลังไปพาให้เป็นโทษเหมือนบุรุษผู้เดินทางฉะนั้นอันหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานดุดบุรุษผู้หนึ่ง นุ่งผ้าสาดกเศร้าหมองบนทินติดอยู่บุรุษผู้นั้นหาสักอุทกังไม่ผ้านั้นก็เศร้าหมองนักจะไปโทษเอาอุทกังว่าอุทกังกระทําให้ผ้าเศร้าหมองไปหรือกระไรนะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาญาณ บุรุษชายนั้นเป็นพานเกียรติคร้านชั่วนักหนาผ้านุ่งเร้าหมองเป็นมนทินก็หาซักให้สิ้นราขีไม่จะโทษอุทธกังกะไรเล่าพระนาคเกษ็จจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชขอถวายพระ พ, พรที่พระพูทธศาส้าไม่เสวยพระอาหารจะโทษเอามหาประทานทางปฏิบัติกระไรได้ เป็นโทษที่ไม่เสวยอาหารให้เป็นปกติเหมือนบุรุษมีผ้าเร้าหมองมนทินไม่ซักน้ำนั้นขอถวายพระพรฝ่ายว่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีก็มีน้ำพระไทยชื่นบานหันษาสิ้นสุดพระวิมติกังขาสองสาธุการแก่พระนาคเส์วิสุทธ์สงองอ์อรหันก็มีในการนั้นปฏิปทาโทสะปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้